เรื่องนางวิสาขามหาอุบาสิการ้องไห้พระศัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภนางวิสาขามหาอุบาสิกาได้ยินว่านางวิสาขาโศกถึงหลานสาวชื่อนางสุทธตีที่ทํากาละคือตายเพราะเหตุที่นางตั้งหลานสาวไว้ในหน้าที่ความควรคว้ายแก่ภิกษุสงฆ์ในเรือน นางทำการฝังสริีราศพแล้วไม่อาจอดกลั้นความโศกได้จึงไปเฝ้าพระสาสดาพระสาสดาทรงตรัสว่าวิสาขาทำไมนอเธอจึงมีทุกนั่งร้องไห้วิสาขาก็ในกรุงสาวัตถีมีชนมากถึงเจ็ดโขรถ้าเธอปรารถนามีหลานผู้เป็นที่รักสมบูรณ์ด้วยวัดเท่ากับคนในกรุงสาวัตถีไซ คนในกรุงสาวัตถีทํากาละทุกวันเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอไม่พึงร้องไห้ทั้งกลางคืนกลางวันหรอกรือดังนี้ล้ทรงตรัสตรัถาว่าความโศกย่อมเกิดแต่ความรักภัยย่อมเกิดแต่ความรักความโศกย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นจากความรักภัยจะมีแต่ที่ไหน สำหรับพระอริยเจ้าขันโสดาบันยังเสียใจร้องไห้ได้อยู่ขันสกธาคาคาร้องไห้เสียใจน้อยลงขั้นอนาคามีขึ้นไปตัดราคาโทสะได้เด็ดขาดไม่ดีใจเสียใจอีกแล้ว